ปรารภ พ, พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายที่ประทานแก่ชาวโลกนั้นในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าสัตวศาสตร์จำแนกโดยลักษณะแล้วมี9ก้าอย่างที่เรียกว่านวังค้าสัตวศาสตร์มีความละเอียดลึกซึง้งและวิจิตพิสดาร ด้วยในหลากหลายตรัสไว้เพื่อส่องนาทางแก่มวลชนผู้มุ่งหวังประโยชน์สุขทั้งในชาตินี้และชาติต่ตอไปตลอดจนอํานวยประโยชน์สูงสุดแก่ผู้สแสวงหาความหลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารในพระสูตรตันตปิฎกมีพระสูตรจํานวนมากที่กล่าวถึงหลักการปฏิบัติธรรมไว้โดยตรงพระสูตรที่น่าสนใจมากคือพระสูตรแรกในพระพุทธศาสนา ชื่อว่าธรรมจักกปะปวัตนะสูตรในสมัยพุทธกาลนั้นมีชาวอินเดียบางกลุ่มบูชาเท พ, พเจ้าเพื่อให้อาตามันของตนรวมกับปรมาตามันของเท พ, พเจ้าหลังเสียชีวิตแล้วบางกลุ่มก็ทรมานตนให้ลำบากเพื่อไทยบาปอันจะนําไปสู่ความหลุดพ้นเมื่อหมดบาปแล้ว แต่พระพุทธองค์ทรงประกาศมัชิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางอันเป็นแนวทางปฏิบัติที่หลีเกเลี่ยงจากการปฏิบัติที่สุดโตรงสองสายคืออัตกิลมัทฐานุโยกและการสุขคัลิกานุโยค ก, การแสดงพระสูตรนี้จึงเป็นการประกาศคำสอนอีกแนวหนึ่งที่ขัดแย้งกับคำสอนของบรรพชน แต่เป็นคำสอนที่ผู้ปฏิบัติตามสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตนเองโดยเหตุที่ธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเป็นพระธรรมเทศนากันแรกพระพุทธองค์จึงมีเนื้อหาครอบคลุมการปฏิบัติธรรมไว้อย่างครบถ้วนโดยเฉพาะเรื่องอริยสัจสีที่มีแนวปฏิบัติคือมัชฌิมาปฏิปทาผู้ที่เข้าใจพระสูตรนี้แล้ว ก็จะสามารถเข้าใจพระสูตรอื่นได้โดยง่ายเพราะพระสูตรทั้งหมดกล่าวถึงอริยสัจสีไว้โดยย่อบ้างโดยพิสดารบ้างโดยตรงบ้างโดยอ้อมบ้างทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเข้าใจของผู้ฟังทำรรในแต่ละโอกาสอย่างไรก็ตามในพระสูตรแรกนี้ได้แสดงอริยสัจสีไว้เป็นหลักดังนั้น อริยสัจสีจึงเป็นหัวใจคำสอนทั้งหมดซึ่งในสามัญญผลสูตรเป็นต้นเรียกว่าสามุกกลางสิกเทศนาคือเทศนาที่พระพุทธองค์ตรัสแสดงด้วยพระองค์เองไม่มีสมณะพราหมณ์เทวดามารหรือพรหมสามารถแสดงอริยสัจได้ก่อนพระพุทธเจ้าอริยสัจมีเพียงสี่ประการ เพราะไม่มีสภาพอื่นที่บุคคลพึงรู้เห็นซึ่งพ้นไปจากความเป็นไปของรูปนามเหตุเกิดรูปนามความดับรูปนามและเหตุแห่งความดับรูปนามดังนั้นความเข้าใจเรื่องอริยสัจจึงเป็นสิ่งสําคัญมากเพราะเมื่อเข้าใจอริยสัจแล้วจะสามารถหลีกเลี่ยงจากทุกข ด้วยการกําหนดรู้เหลี่ยกเลี่ยงจากเหตุเกิดของทุกข์ด้วยการละอีกทั้งสามารถรู้แจ้งความทุกข์โดยอาศัยการเจริญอริยมรรคมีองค์8คือสัมมาทิฏฐิเป็นต้นการเจริญอริยมรรคมีองค์8นี้เท่านั้นจัดว่าเป็นทางสายกลางที่อํานวยผลให้บรรลุพระนิพพานในปัจจุบันชาติได้ดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจะให้บรรลุมรรคผลสําเร็จ จะต้องเดินให้ถูกทางจะต้องเดินไปตามลำดับขั้นตอนเพื่อเป็นการอบรมบ่มอินสีห้าคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาให้แก่กล้าจึงจะสามารถเดินไปตามทางจนบรรลุจุดหมายปลายทางได้สำเร็จท่านผู้ประพันธ์ธรรมจักกปวัตนสูตรที่ออกสู่สายตาของท่านผู้อ่านนี้ คือพระอาจารย์มหาสีสยาดอพระโสมพนมหาเถระอัครมหาบัณฑิตอดีตเจ้าอาวาสวัดมหาสีจังหวัดย่างกุ้งประเทศเมียนมาท่านมีเกียรติคุณเลื่องลือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญพระไตรปิฎกและแตกฉานภาษาบาลีสันสกฤตได้ร่วมชำระพระไตรปิฎกในสมัยสังคยนาครั้งหกชัต t สังคีติ และดำรงตำแหน่งผู้ถามพระไตรปิฎกคือสังคิติปุชกะอีกด้วยนอกจากนั้นท่านยังเป็นวิปัสนาจารย์ที่ผ่านการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังเป็นเวลานา น, านและมีประสบการณ์ในการสอนกรรมฐานหลาย10ปีหนังสือธรรมบัญญายเกี่ยวกับการปฏิบัติวิปัสนาซึ่งได้รับการถอดเทปและจัดพิมพ์เป็นหนังสืออีกราวเจบเล่ม โดยส่วนใหญ่ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษไว้แล้วท่านได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญระดับโลกชีวประวัติโดยย่อของท่านได้รับการบันทึกไว้ในหนังสือ Who Is Who in the World ซึ่งบันทึกชีวประวัติของบุคคลสำคัญระดับโลกไว้ โดยเหตุที่ท่านผู้ประพันธ์มีความแตกฉานเชี่ยวชาญในปริยัติและปฏิบัติจากตำราและประสบการณ์ตรงดังนั้นข้อเขียนของท่านจึงเจาะลึกถึงแก่นแท้ของธรรมจักกัปวัตนสูตรที่ได้นำมาอธิบายอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนที่จริงแล้วแมหนังสืออธิบายพระสูตรนี้จะมีมากหลายฉบับที่เขียนโดยท่านผู้รู้แต่นังสือเหล่านั้น มิได้เทียบเคียงหลักการปฏิบัติธรรมเข้ากับทางสายกลางที่เรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาด้วยเหตุดังกล่าวผู้ประพันธ์จึงนําเสนอผลงานที่เทียบเคียงปริยัตเข้ากับปฏิบัติเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจหลักการปฏิบัติอย่างถูกต้องอันจะนําไปสู่ความก้าวหน้าในการปฏิบัตธรรมตามลําดับ ในวงวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนายากนักที่จะหาหนังสือที่มีชีวิตชีวาและความสําคัญต่อชีวิตได้และเป็นการยากเช่นเดียวกันที่จะหาหนังสือชวนให้เกิดพลังดึงดูดจิตใจให้สว่างสวัยและมีอํานาจพอที่จะช่วยขจัดความมืดบอดแห่งความระทมทุกข์และช่วยนําความหวังและความสุขมาให้แก่มวลเวนยสัตว์ได้ ถึงกระนั้นข้าพเจ้าก็ยังมีความปรารถนาอยู่เสมอว่าเมื่อไรหนอจึงจะมีหนังสือที่เป็นสื่อการศึกษาวิเคราะห์พระพุทธพจน์ในรูปของภาษาไทยอย่างกระจ่างแจ้งในเชิงประยัติและปฏิบัติเพื่อให้สมกับคำสวดสละเสริญกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันว่าสัตถังสัพยัญชนะเกวละลปริปุณัง บริสุทธิ์ทางพระมจริยังพระพุทธองค์ทรงประกาศพระมจ ร, รันอันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัฏฐและพยัญชนะซึ่งจะก่อให้เกิดศรัทธาและความเคารพเทิดทูนพระพุทธดำรัสที่ตรัสไว้นั้นช่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งอัฏฐและพยัญชนะต่อเมื่อข้าพเจ้าได้พบหนังสือธรรมจกกักรปวัตนสูตร ซึ่งประพันธ์โดยพระอาจารย์มหาศีสยาดอพระโสพณมหาเถระเป็นหนังสือที่มีความสมบูรณ์ทั้งในแง่มุมวิชาการและแนวทางปฏิบัติซึ่งท่านอธิบายไว้อย่างกระจ่างแจ้งชัดเจนทั้งในด้านภาษาสภาวาธรรมและขั้นตอนการปฏิบัติเป็นหนังสือที่เหมาะสําหรับพุทธศาสนิกชนชาวไทย ควรมีไว้เป็นแนวทางในการศึกษาพระสูตรอื่นๆที่กล่าวถึงหลักการปฏิบัติด้วยเหตุดังกล่าวข้าพเจ้าจึงเชิญชวนแกมขอร้องให้พระคันธาสาราพิวงแห่งวัดท่ามะโอจังหวัดลำปางดำเนินการแปลหนังสือธรรมจักกับวัตนสูตรที่แปลและอธิบายโดยพระโสพณมหาเถระมหาศรีสยาด ทั้งนี้เพื่อให้สาสนิกชนชาวไทยได้เข้าใจหลักการปฏิบัติอย่างท่องแท้ตรงตามพุทธาธิบายและเป็นหลักสูตรเรียนของนิสิตรปริญญาโทหลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิปัสสนาภาวนานะมหาวิทยายลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลายัยวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคดนครปฐม ท่านผู้แปลนี้ได้ศึกษาบาลีใหญ่ที่วัดทมาโอตั้งแต่เป็นสามเณรอายุ15ปีและได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศเมียนมาเป็นเวลา10ปีจนจบการศึกษาระดับมาจริยะเทียบปริญญาธรรม9าประโยคในระบบการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยจากสถาบันคือสถาบันรัฐบาล และสถาบันเอกชนจังหวัดย่างกุ้งโดยสอบชั้นนักศึกษาได้เป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดแปรและสอบชั้นธรรมมาจริยะของสถาบันเอกชนได้เป็นอันดับที่สองของประเทศอีกทั้งมีผลงานเขียนและแปลคัมภีร์กว่า30เล่มข้าพเจ้าจึงเห็นว่าท่านเป็นผู้เหมาะสมที่จะดำเนินการแปลหนังสือ เล่มนี้เพื่อให้เป็นมรดกธรรมฝากไว้ในพระพุทธศาสนาและนำผู้อ่านสู่ความลุ่มลึกในธรรมได้ข้าพเจ้าได้อ่านตรวจทานแก้ไขสำนวนแปลเป็นตอนๆไปตั้งแต่ต้นจนจบเห็นว่าท่านผู้แปลได้ดำเนินการแปลและเรียบเรียงไว้โดยละเอียดมีหลักฐานอ้างอิงจากพระไตรปิฎกอัตถกถา และดีกาอย่างสมบูรณ์จึงขออนุโมทนากุศลละจิตของพระคันธสาราพิวงศ์ผู้แปลหนังสือเล่มนี้และหวังว่าท่านผู้อ่านท่านผู้ฟังจะได้รับประโยชน์ตามสมควรพระพลมโมลีคำนำ ราวสองพปีก่อนเจ้าสัคยพระนามว่าสิท ธ, ธัตถะเสด็จออกผนวดสแสวงหาโมกษะเป็นเวลาหปีเมื่อทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วประสงค์จะให้ผู้อื่นตรัสรู้ตามจึงทรงแสดงพระสูตรแรกในพระสูตราศาสนาชื่อว่าธรรมจักกับปวัตนสูตร ได้หมุนกงล้อแห่งธรรมอันยอดเยี่ยมณป่าอิสิปตนะมฤคธายวันใกล้เมืองพารณสีนับแต่นั้นเป็นต้นมาจากกรตนะของพระธรรมจั ก, กรภัธิราชก็ดำเนินไปจวบจนถึงปัจจุบันท่านอัญญาโกณทัญะญพร้อมด้วยเหล่าเทวดาและพรหมที่ติดตามจากกรตนะในวันแสดงธรรมจั ก, กรภวัฒนสูตร เป็นครั้งแรกได้บรรลุความดับทุกข์พบสารติสุขชั่วนิวรันดรแม้ผู้ที่ติดตามจากกรตนะนั้นแล้วบรรลุความดับทุกข์พบสารติสุขในภายหลังก็มีมากนับประมาณไม่ได้ท่านอาจารย์มหาศีสยาดอพระโสมนาสมหาเถรอดีเจ้าสํานักมหาศรียิตาจังหวัดย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาเห็นความสำคัญของพระสูตรนี้จึงบรรยายไว้ที่สำนักของท่าน8ครั้งเริ่มตั้งแต่วันแรม14่ข้ามเดือน10ปีพุทธศักราช2 5งัจบในวันเพนเดือน5พุทธศักราช2 5งัหหลังจากนั้นได้นำฉบับบรรยายมาขัดกล่าวให้อ่านง่ายแล้วจัดพิมพ์ โดยมีชื่อว่าธรรมจักเทศนาฉบับแปลนี้ใช้ต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่สโดยสมาคมพุทธศาสนานุเคราะห์ปีพุทธศักราช2537โดยเหตุที่พระสูตรนี้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปของชาวพุทธซึ่งมีตำราปแปลและอธิบายธรรมจักเป็นภาษาพม่าหลายฉบับ โดยเป็นตำราที่แปลคำต่อคำบ้างแปลและอธิบายตามปกติบ้างหรืออธิบายแบบถามตอบบ้างแต่ตำราเหล่านั้นมีได้เทียบเคียงหลักการปฏิบัติเข้ากับทางสายกลางที่เรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาดังนั้นผู้ที่ปรันจึงนำเสนอผลงานที่เทียบเคียงปริยัตเข้ากับปฏิบัต เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจหลักปฏิบัติอย่างถูกต้องอันจะนำไปสู่ความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมตามลำดับเมื่อผู้แปลเดินทางไปศึกษาปริยัติธรรมณประเทศเมียนมาระหว่างปีพุทธศักราช2528ถึง2538ได้พบตำราเล่มนี้และอ่านศึกษาดูเห็นว่ามีประโยชน์มากต่อการปฏิบัติธรรม เหมือนแผนที่เดินทางนำไปสู่จุดหมายปลายทางคือสารติสุขจึงคิดว่าควรแปลเป็นภาษาไทยเพื่อให้กุลบุตรชาวไทยได้มีโอกาสติดตามจักรตนะที่ทรงคุณค่าตามที่กล่าวไว้ในตำราเล่มนี้และเมื่อตรวจสอบหนังสือทางฝ่ายไทยพบว่าก็ยังไม่มีตำราเกี่ยวกับธรรมจักที่เทียบเคียงปริยัตและปฏิบัตเช่นนี้ จึงดำเนินการแปลในปีนี้และจะแปลเรื่องปฏิจจสมุปบาทของท่านพระอาจารย์มหาศรีสยาดอในปีพุทธศักราช2552เป็นลำดับต่อไปหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่น่าสนใจหลายอย่างอาทิ 1. แปลบาลีอย่างสละสลวย 2. อ, อธิบายหลักธรรมให้เข้าใจง่าย 3. แยกแยะ ก, การปฏิบัติแบบอัตกิลมถฐานุโยกการสุขคัลิกานุโยกและมัชิมาปฏิปทาอย่างชาัดเจน 4. แสดงการเจริญอริยมรรคมีองค์8ตามหลักที่ปฏิบัติได้จริง 5. าจำแนกอริยสัจ4ีโดยละเอียด 6. แสดงถึงญาณ 3. คือสัจยญาณกิจญาณ และกตะตาญาณพร้อมกับเวลาเกิดญาณ น, นั้นๆโดยประจักษ์เจ็ดอธิบายสั์ว่าทิฏฐ ธ, ธรรมโมเป็นต้นอย่างชัดเจนแปดแสดงถึงการบรรลุ ธ, ธรรมของท่านอญญาโกนทัญญาและการบรรลุ ธ, ธรรมในขณะฟังธรรมอื่นๆในการแปลครั้งนี้ผู้แปลมอบหมายให้คุณอุดมพรสิระสุทธิ แปลาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษชื่อว่า The Wind of Dhamma ซึ่งแปลามาจากภาษาพม่าอีกทอดหนึ่งแล้วให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนุษย์ศีธนาอนันต์ขัดเกลาคำแปลให้สละสลวยขึ้นหลังจากนั้นจึงตรวจดูต้นฉบับภาษาพม่าและปรับเนื้อหาให้ตรงกับต้นฉบับเป็นครั้งสุดท้ายนอกจากนั้น เพื่อให้หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาสาระพร้อมมูลผู้แปลจึงเพิ่มเชิงอัตถที่เกี่ยวกับหลักภาษาและหลักธรรมโดยอ้างอิงหลักฐานกว่า200แห่งจากพระไตรปิฎกอัตถกถาดีกาและวิยาก์ฝ่ายบาลีและสันสกฤตหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านท่านผู้ฟังตามสมควรผู้แปล แปลหนังสือนี้ตามคําเชิญชวนของพระเดชพระคุณพระโภโมลีสมศักอุปสมโมปเปรียนธรรม9เพื่อ <S <S เผยแพร่หลักการเจริญวิปัสนาภาวนาที่แสดงถึงความสอดคล้องกันของหลักปริยัติและปฏิบัติทั้งนี้เพื่อให้ชาวพุทธเข้าใจหลักธรรมเจริญวิปัสนาอย่างถูกต้องและเป็นการสืบทรงพระพุทธศาสนา ที่บริบูรณ์ด้วยอัฏฐะและพยัญชนะไปตราบนานเท่านานและพระเดจพระคุณรับช่วงตรวจชำระอีกด้วยขออนุโมทนาขอบคุณผู้ช่วยดำเนินการแปลในครั้งนี้คือคุณอุดมพรสิระสุทธิผู้แปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนุษย์ศีธนาอ น, านันต์ ผู้ช่วยขัดเกลาวคำแปลให้สละสลวยและคุณมนทาทิพย์คุณวัฒนาคุณสุพรรณธรรมศรีพร้อมทั้งคุณศิเนรรัฐศรีประทุมผู้ช่วยตรวจต้นฉบับแก้คำผิดนอกจากนั้นขออนุโมทนากุศ ล, ลจิตของคุณสิทธิโชคก้อนนาคเจ้าของลายภาพเส้นที่อนุญาตให้นำภาพมาลงในหนังสือเล่มนี้ การบริจาคร่วมสร้างหนังสือธรรมะมีอนิสง์มากทั้งนี้เพราะหนังสือธรรมะคือพระพุทธเจ้าผู้สามารถเทศและสั่งสอนเวนยชนได้จัดเป็นการทารงรักษาพระาศาสนาและจุดประกายแห่งปัญญาแก่วงชนเหมือนการจุดประทีปในที่มืดและบอกทางแก่คนหลงทางเพื่อประโยชน์แก่มวลชนชั่วกาลนาน หนังสือที่ท่านทั้งหลายจัดพิมพ์และเผยแพร่นี้จะนำไปมอบให้สำนักเรียนห้องสมุดและประชาชนทั่วไปที่สนใจใฝ่รู้ธรรมะโดยไม่มีการจำหน่ายแต่อย่างใดขออนุโมทนากุศลจิตของท่านเจ้าภาพผู้บริจาคทรัพย์เพื่อจัดทำต้นฉบับและจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ไว้ เป็นสมบัติในบวรพระพุทธศาสนาขอให้ทุกท่านที่ได้บำเพ็ญร่วมบุญกันในครั้งนี้จงมีความสุขสวัสดีเจริญรุ่งเรืองในธรรมของพระอริยเจ้าทั้งปวงและบรรลุสารติสุขอันเป็นจุดมุ่งหมายของชาวพุทธโดยพลันเทินพระคันทสาราพิวงศวัามาโอจังหวัดลำปาง พจนารมณ์หนึ่งธรรมจักรใดอันพระจอมุนีทรงหมุนแล้วใครๆในโลกไม่สามารถเหนี่ยวรั้งให้หมุนกลับได้เหมือนดังจากแก้วของพระจักรพาติราชยังมหาชนให้บรรลุสารติสุขแล้วสองถึงสาลาวมนุษย์และเทวดามีท่านอัญญาโกนทัญะเป็นประธานผู้เป็น อุคติตันยูดำเนินไปตามจากนั้นในวันเพ็ญเดือนแปดหน้าป่าอิสิปตปนะมารกขทยาวันใกล้เมืองพรณาศีแล้วได้พ้นจากบ่วงมานแม้เหล่ามนุษย์และเทวดาผู้สแสวงหาประโยชน์เช่นนั้นนายภายหลังก็มีมากนับไม่ถ้วนสี่พระนาถผู้เป็นจักรพัทิเดียวราชอันประเสริฐ ท, ทรงหมุนธรรมจาก ที่ทำลายกงล้อแห่งภพได้เป็นผู้ที่เหล่ามนุษย์และทวยเทพบูชา5ถึง6พระเถระชื่อว่ามหาสีผู้ทรงบัญชาเชี่ยวชาญในปริยัติและปฏิบัติเข้าใจในธรรมจักเป็นอย่างดีได้อธิบายธรรมจักนี้ไว้ธรรมจักนั้นประพัน์ไว้โดยคล้อยตามพระบาลีอัตกถาและดีกาตรงประเด็นชัดเจน และแสดงวิธีปฏิบัติอันดีงามเจ็ดถึงแปดพระเถระผู้ปรากฏสมณสักว่าพระพรหมโมลีได้เห็นว่าธรรมจักนั้นอนํานวยคุณประโยชน์จึงมอบหมายให้ข้าพเจ้าแปลคัมภีร์นั้นด้วยเหตุนั้นข้าพเจ้าขอนามสการพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และครูของตนแล้ว จักแปลด้วยภาษาไทยเป็นอย่างดีพระคันธสาลาพิวง